อตนีวันละธรรมมัชชริยะตนีธรรมตนีห้าอย่างจะให้มีอาวาสตนีที่อยู่ก็อยากให้มีกุลมัชชริยะตนีตระกูลไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้อหัวตระกูลอันนี้ก็ไม่ถูกกุลมัชชริยะอันตนีตระกูลไม่ดีไม่อยากให้ใครมาร่วมตระกูลด้วยไม่ดีเหมือนกัน เช่นพระหลวงยาดูมเป็นต้นหรื อ, อยาดูมหลวงพระเป็นต้นก็ไม่ถูกพระก็ต้องเป็นพระทุกทา่านดูมก็ต้องเป็นดูมทุกทา่านะเดียวกว่าไม่หวงตระกูลราวัตราพระมัทฉริยะตันีราเมื่อมีรามาแล้วก็ไม่อยากให้ใครวันณัชริยะวันนมัทฉริยะ แต่ดีวันนะ่ะห้องสวยห้องงามร่างกายไม่อยากให้ผูกอะไรเก้งมันจะไม่สวยอันนตกเกินไปเก้งมันสักกระปกุกพอดีถ้าอะไรก็เก้งมันจะจะไม่สวยทาแป้งอยู่บ่อย ที่แบตเือคนทุกแ์ในวัฏจักรสงสารปัญหามันน้อยลงหรอกมันไม่มากหรอกทําให้มันน้อยมันก็น้อยเราทําให้มันมากมันก็มากปัญหาเราทําให้มันน้อยมันก็น้อยเพราะเราเป็นผู้ทำเราทําให้มันมากมันก็มากเรามีความหวังมากปัญหามันก็มากเรามีความหวังน้อยปัญหามันก็น้อยความหวังมากถ้ามากในสิ่งที่ชอบมันก็น้อยลง ท่ามาน่ยต้องการท้นทุกอย่างนี้มันก็น้อยลงปัญหาถ้ามากในทางโลจีในทางวัตถุนิยมถ้าปัญหาความต้องการมากเาเลสยานจนเกินเกินไปอย่างนี้ปัญหาก็มากเราเคยมีไรายได้ขนาดไหนเราก็พอยินดีของเราขนาดนั้นถ้าไปาเทเลสยานมากเกินไปเมื่อมันไม่สมประสงค์ปัญหาตก็มากหนักใจอีก เรามีน้อยเราก็ใช้น้อยเรามีมากเราก็ใช้ตามต้ควรแก่สถานะของเรานั่นเอ ง, เองความรุดความพ้นความอยากดีอยากเรียนในทางรุดทางพ้นมันเป็นปัญหานะเราเอาพระธรรมมาพระพุทธเจ้ามาเป็นเรื่องใหญ่บางท่านบอกว่าเอาพระธรรมมาพระพุทธเจ้ามาเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ดีเหมือนท่านเอาท่านมายนอย่างเป็นเยื่องใหญ่ทาไมก็แก้ปัญหาว่า เราเอาคนเสมอเรามาเป็นตัวอย่างเราก็ชั่วกว่าเขาไปอีกนะถ้าเราเอาคนชั่วกว่าเรามาเป็นตัวอย่างเราก็ชั่วไปกว่าเขาอีกต้อพันเท่าเราอาคนดีกว่าเรามาจนเหนือถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ดีท่านถ้าไม่เอาพรมาและพระพุทธเจ้ามาเป็นเรื่องอย่างแล้วเอาคนเสมอเรามาเป็นเรื่องอย่างอย่างนี้หรือต่างกว่าเรามาเป็นเรื่องอย่างหรือสูงกว่าเราบ้างมาเป็นเรื่องอย่างอย่างนี้เราก็ไม่ดีท่าทั้งแล้ว ถ้าเรายิ่งเอาคนเรียกต่ํามาเป็นเรื่องอย่างหรือเสมอเรามาเป็นเรื่องอย่างเราก็ยิ่งตำกว่าเขาต่างพันเท่าเอาข้องดีมาเป็นเรื่องอย่างถึงตันนั้นเราก็ยังไม่ดีเท่าเนี่ยฉะนั้นจึงเอาพระสมานุปัสตร์เจ้ามาเป็นเรื่องอย่างแล้วภาษารีบุตรโมกขาลาหรือพอดิยาเจ้าทั้งหลายมีสุปฏิปันโนช่วยยายยสามีเป็นต้นเราเป็นมนุษย์เราไม่สนใจในทางว่าผลในความเราจะไปสนใจทางไหนทีนี้พุทธบริษัทสี ยุสุสามเสนอนวาโสอุวาชิกาทเทวุเทวราอินผมไม่สนใจในมรรคในภานจะให้ผีตัวไหนมาสนใจนี่มันต้องมีปัญหากันอยักชาเทวมนุษยานางฝากพุทธบริษัทไว้ฝากพุทธศาสนายุสุสามเสนอนวาโอุวาชิกาพระบรมศษษาสีนาฝากไว้สักบบเทวุเทวราเป็นต้น ก, กับเองกับพรมเทวบุตรเทวดาที่นี่พวกเรานี่ไม่สนใจจะให้ผีตัวไหนมาสนใจนี้นะเพราะมันอยู่กับเราทำไมถึงม่จะไม่สนใจเพราะทําสอนลงสั่งคำสั่งและคำสอนก็สอนลงที่กายวิญาใจเรามันมีอยู่กับเราจะไม่ให้เราสนใจทำไมเพราะไปที่ไหนเราก็ห อ, อเพ้ะไปไปเราไปด้วย ขาสองแขนสองหัวหนึ่งเงี้ยพระใจพี่ดกพี่ดกเป็นแปลว่าที่รวบรวมคำสอนของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็สอนออกมาจากกายจากวาจาจากใจของพวกเราทั้งหลายนะถ้าปฏิบัติก็นอบเข้ามาโอบมันนโกนอบเข้ามาหาตาวาจาใจของเราที่ปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ถูกตามสติกำลังของเราของที่มีอยู่ไม่ได้ยืมทุกชนโพไดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยืม ยืมศีนท่านมารักษาด้วยยืมสมาธิท่านมาพิจารณาด้วยดูยืมสมาธิท่านมาพบร่มด้วยยืมปัญญาท่านมาด้วยยืมพุทโธมาบริกรรมด้วยยืมธัมโมมาบริกรรมด้วยยืมสังโฆมาบริกรรมด้วยยืมลมหายใจมาให้แกเข้าออกด้วยของของผมของทิฉันของหมูไม่มีนี่ของข้าไม่มีไม่แน่ว่าของใครขอมันมีอยู่ทุกการทุกเวลา ยืมความตาของท่านมาพิจารณาด้วยอของข้าไม่มียืนหนังของท่านมาพิจารณาด้วยข้าไม่มีหนังผมข้าก็ไม่มีขนท่านก็ข้าก็ไม่มีเล็บชักข้าก็ไม่มีฟันของข้าก็ไม่มีเอ็นกระดูกเืาอเยื่อในกระดูกมากขั้ใจกลกระางปุ๋ยแต่ปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหเก่าของข้าไม่มีข้าก็ยืมด้วยดี่เศษน้องเลือดเนี่ยมันก้นน้ำตาเป็นมันน้าลายน้ำมูกน้าไข้ก้อนน้ำมูกของข้าก็ไม่มี ยื่นของท่านมาพิจารณาด้วยเหรือจะไปส่งก็ไรู้ว่าเราต้องการพิจารณาเวลาไหนก็มีอยู่ทุกการจะทำท่าหรือไม่ทำท่าก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยเราจะต้องการพิาจารณาตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นมันมีอยู่กับเราเลยอ่ะความตายก็มีอยู่ทุกโรงพยาบาลนี้ก็เกิดก็มีอยู่ทุกโรงพยาบาลนี้กันความแก่ก็มีอยู่ทุกโรงพยาบาลนีนกัน ควาเก็บก็มีทุกบปรมปานเหมือนกันถ้าว่าความเก็บมันมีคนามอัดดูจมูกดูหินี่ก็ดิด้นละที่นี้นั่นความตายก็ตายอยู่ที่นั่นแหละนั่นพระบรมศาสด า, าสอนสิ่งที่มีสิ่งที่ไม่มีท่านไม่เอามาสอนคุณมาพูดประทำประสงก็มีจริงคุณพ่อคุณแม่คุณแม่มดาบันดาปุยญาติาทวดคุณของตั้งพวกเป็นคุณเป็นของมีของจริงของไม่มีท่านไม่เอามาสอน ขอที่มีอยู่ก็ตัวเราทั้งนั้นแหะท่านอามาสอนไม่ใช่ท่านจะกอบโกยเอาของท่านมาให้ท่านเป็นเพียงขี่บอกเท่านั้นเธอขั้งหลายจงเอามามาเอาจมูกโด่งๆของเราไปหายใจเนอท่านก็ไปแล้ว่าไอาจมูกของเธอได้หายนะพวกโจรประกาศจะบอกของเราเพราะเรามีอยู่แล้วเราใช่ไปเป็นนั่น ถ้าความี้สะอยู่นั่นเอาออกฉันบอกเลยนี่ตานี่หูของเธอพิจารณานี่จมูกของเธอพิจารณาริมของเธอกายของเธอใจของเธอนะไม่ใช่ท่านจะตอบเลี่ยนให้ไม่ใช่ท่านจะควักตาให้นี่นีอยู่กับเรามนแล้วปฏิบัติง่ายพระบรมศ า, าสดาบเบียร์มรดกให ไทยมากเอามาใกไทยกําลังมากไม่ได้หมดเปลือนเหมือนสังหารี่มาทับเอาสังหารี่มารับภายนอกทับไฟไรไม่ได้หมดไปไหนไปก็ไม่ได้หาไปหิว้วโจนก็ไม่ได้รักไฟก็ไม่ไหม้ตกน้าก็ไม่หายปลวกก็ไม่กลับฝนตกก็ไม่เปียก เพรมัอยู่ในใจแล้วเปรีย ก, ก็เปรียบแต่ตายใจนั้นไม่เปรียบเกี ก, ก็แกียกแต่ตายเจ็บก็เก็บแต่ตายตายก็ตายแต่ตา ย, ายใจนั้นไม่ตายมันก็นนที่รวมบนความมีความชั่วยหลือถ้าสร้างดีพอความชัว่วกควาหายไปก็เข้าสู่พวานิพพานถ้าดียังไม่พอเข้าสู่ความนิพพานไม่ได้ เพราะมันว่างมันยังไม่เต็มผู้ใดก็อาผู้ใดเคลียร์หลบับในวัดทั้สงสารผู้นั่งสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้ว ผู้ใดเห็นไทยในวัดเจ้าสงสารอย่างเต็มที่ผู้นั้นก็ดับเพลินอย่างเต็มที่ในวัดเ้าสงสารผู้ใดเห็นโทษในวัดเจ้าสงสารอย่างเต็มที่ท่านผู้นั้นก็เห็นพระเดชพระคุณในพระนิพพานอย่างเต็มที่ผู้ใดเห็นโท ษ, โทษเกิดโทษแก่โทษเก็บโทษตาย หรือตวนว่าเป็นนักโทษแก่นักโทษเก็บนักโทษตายนักโทษชอบเที่ยวในวัดตาสงสารในไจโลกธาคนผู้นั่งอยู่ใกล้ประตูพระนิพานเนี่ยเขาจะไม่มาท่องเที่ยวนานในวัดตาสงสารในน้ำตั้มเขาจะไปในวัจจุบันธาตอีกด้วยนั่นคือตัวศีลของเขานั่นคือตัวสมาธิของเขานั่นคือตัวปัญญาของเขาสมนุนกันในเวลาขณะเดียว ในกองมันยัดก็ได้ยืนเดินนัง่งนอนรับสื่นนึกคิดมันเป็นเรื่องของคันทางนบาปมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ถ้าคิดไปทางดีก็เป็นห้่งทางไปสูม่มรรคผลในขาน ถ้าคิดไปทางชั่วก็เป็นทางใจสูงนรกถ้าได้พาแม่มายืนเดินนะั่งรอรับตื่นนึกคิดพูดด้วยถ้าพูดถูกก็เป็นสัมมาวาจาถ้าพูดไม่ถูกก็มิตเป็นมิตรฉาวาจาถ้าทําการงานถูกก็เป็นสัมมากมันโต ถ้ากรรมกา ร, การงานไม่ถูกก็เป็นมิจฉากรรมมันโตมิจฉากรรมมันโตคืออะไรคือฆ่าสัต ร, รักทรัพประพฤติผิดในกาลางสมาวาราคืออะไรกล่าวเรื่องมรรคในพานกล่าวเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาชักชวนพวื่ทั่วดพ้นเธอทั้งหลายจงเอามาชักชวนกันเถิดรล้วก็ลงมาศาสนาชักชวนในการเพื่อจะหลุดจะพ้นจากวัตาส้นสาร เป็นมหาวาจาดีเป็นมหาชัก่วนดีทุกคนจากนักโทษก็คือพระอรหันต์เพียงเนักโทษเก่นักโทษเก็บนักโทษตายนไปแล้วนักโทษโรคนักโทษโกรนักโทษหลงส่วนพระสวัดา์ันจักราคามมก็เบาไปแล้วส่วนพระอนาคามีก็เบาไปแล้ว พระทหารพ้นไปโทษเนี่ยพนจากโทษทั้งปูเป็นสงครามร่างโลกเป็นทหารเอกเป็นมวยแชมโลกเป็นมวยเหนือโลกอีกด้วยมวยเหนือโลกคือใครคือพระทหารพวกพวกที่เขาเขาต่อยกันอยู่ในโลกไม่ใช่มวยเหนือโลกพวกมวยสนองเวนสนองไผ่ ให้นองภายเรียนสนองเรนกันมึงเถอะมึงเถอะอยู่อย่างนันะถึงจะนับชิปไปลูกแล้วกับมึงเถอะอยู่อย่างนันะเป็นวาด้หนั่นอะไรเรนวมึงเถอะน่หะตัวเไม่ยอมเลยหมูก็เหมือนกัน่ามันมันลอกอีกๆแต่ก็กมึงเถอะอยู่เหมือนกันนะ ใครอยากเห็นสนามเวียนสนามภัยก็มาดูในวัดตาสงสารนี้สนามเวียนสนามภัยสนามเปิดสนามเก่สนามเก็บสนามตายสนามทัศนาจรพัฒนาอ่านว่าพัฒนาพระพุทธศาสนาพัฒนาออกโลกพวกเราพัฒนาอยู่ในโลกกูทีบึงทีสนามเวียนสนามภัยกันนะ กองดับเพลิงพระพุทธศาสนาดับเพลิงกิลเลส ก, กองดับเพลิงของเราพวกเราพ็ดับแก่เพลิงใครไม่ว่าไม่ทงานซลน้วเอาน้ำดับเลงก็ไม่เลี้ยมีชาพิมพก็มาสร้างนันอกีก็ไม่อีกไม่เรือนอีกก็มาดับอย่แลเรือโรคเรือปวดเรือหล ง, งก็มาไม่กินไใจอยู่ ชนะก็ชนะกันอยู่ที่มืองใจแพ้ก็แพ้กันอยู่ที่มรรใจสนละกุมของที่ของผู้ถือพระพุทธศาสนาก็คือเมืองใจคือข้อวัดมีอยู่ในใจวัดานแท้ก็คือวัดใจวัดภายนอกอยู่ด้วยกายกายอาศัยอยู่วัดภายในคือจิตใจวัดตระไม่ใช่วัดดอเดียบข้อวัด คนไม่มีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในคิดในใจคนเปือยกายคนไม่มีพระนุ่งพระหม่มคนเปือยกายเข้าวัดคนเปือยกายให้ชาวโลกเห็นบาปมันอยู่ที่ไหนบุญมันอยู่ที่ไหนแล้วก็อวดความโง่ให้นักปราชุดูก็ถือว่าตนฉลาดบาปมันเป็นตัวยังไงบุญมันเป็นตัวยังไง มันดีสำหรับเขาแต่ไม่ดีสำหรับนักป่ามันก็จำเป็นหมูใครมูมันมันจะหากันเองมันมันเป็นนิการไปหากันเองกันมันเป็นสังคมไปหากันเองกันสังคมอ่านว่าสังคมพวกสังคมขีเหล้าเขาก็ไปตามเรื่องเขาพวกสังคมรักษาสิมเขาก็ไปตามเรื่องเขาเราก็มีสังคมอยู่ทุกท่านทุกหมวดทุกหมู่ทุกเล่า หมูใครหมู่มันระดับใครของระดับมันอมืมีหมูอยู่ทุกท่านผูกไปทางผิดก็มีหมูทูกไปทางถูกก็มีหมูพระโสีดาบันก็มีหมู่พระสรกการ า, ามีก็มีหมูเจ้า อ, อนาคารีก็มีหมู่พระทหารก็มีหมู่หมูออกนอกโล ก, กนะออกไปแล้วนะมากกว่าที่เห็นเมื่อวานในซอกมหาสมุทรทอดโปรตมหาสมุทรนะพวกที่ยังเหลืออยู่ก็ยังมากกว่า น, นั้นอีก เราไม่ไว้ใจในวาตถท่องสารไม่ไว้ใจในชีวิตด้วยวันหนึ่งคืนหนึ่งเร็วนักเดียวเดียวเท่านั้นเป็นวันใหม่มาไอที่แท้ก็วันเก่านั่นเองเป็นรอบเก่ า, าคูยปัญญาสามย้ำสำคัญเวาลาที่ยาวพู๊มีปัญญาฉลาด สำคัญว่าราตีนี่ลวกไปลวกไปชั้นแห่งไว้ก็ละเป็นลำดับไปเร็วนักกรรมฐ า, านอันไดที่เคยปฏิบัติก็จบกรรมฐ า, านอันนั้นไว้ให้ดีเพราะเป็นอาจารย์เดิมของเราไปไ้วก็เอาไปด้วยลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วย คงชูช่วยเพื่อนพี่ไม่นีหน่ายรู้รักกันอย่ามีราคีคายใครเก้าร้ายเจ็บแค้นไม่แค่นเพื่องหมายความว่ารัชกาลที่หกให้รักกันนอกกับพี่นอกรักพี่นอกรักพี่ช่วยร่วมชีวีพี่ร่วมท่องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงชูช่วยเพื่อนพี่ไม่นีหน่ายรู้รักกันอย่างมีราคีคายใครเก้าร้ายเจ็บแค้นไม่แค่นเพื่อน ให้การตู่พระพุทธศาสนาเราก็แค่เคืองเหมือนกันแต่ ว, ว่าเป็นเรื่องของเขาทุกข <c oughs> ก็ปล่อยเขาเะปล่อยเขาชนะจะอวดดีต่อพุทธศาสนาถ้าอวดดีก็ฟ้าไ ต, ต, ต้โมดไต้โลกธาตุกับโลกก็ฟ้าเขาดู ฟ, าฟ้าไม่ได้ เดี๋ยวนำลายลถกระฟ้าหมดไตลถกระแทหมดน้ำลายเฮปล่านั่นแหะเดี๋ยวก็ถูกรถหน้าเจ้าของบ้านพระกทาคามีพระอนาคามีพระสวัสดิบาลพระกทาคามีพระอนาคามีเป็นตำรวจ ตรวจจิตใจเจ้าของตรวจความประพฤติของเจ้าของว่าเป็นเครื่องอุ่นอบปุลใจแล้วหรือยังหรือยังบกพล่องอยู่ตอานี้เป็นครูสอนตนกบรมศาสตราภุริสาธรรมศารถิ สอนตนดีแล้วจึงสอนผู้อื่นจึงตั้งหน้าไปหาเที่ยวหาสอนผู้อื่นจึงไม่เดื อ, รอดร้อนในภายหลังในสมัยที่เป็นพระธรรมทูตเราเถียงเราเถียงท่านจะฟาดจะคุณเราเถียง ถ้ามองดูแล้วพรรษาไม่แก่ถ้าเราเราก็เถียงถ้าพรรษาสูงเราก็เขี่ยงโดยทาง อ, อ้อมเพรากาบตูนยกหนึ่งเพราะทำแบบหลวงปูม่มั่นไปเพมัปเป็นธรรมทูตทำเลียงทำเหำมือนหลวงปู่มัน่นเออธรรมทูตมันมีทุกคนนล้ครับคนแก่เพราะเก็บคนตายเป็นธรรมทูตแต่และอย่างเลยา็ ทำนี้ได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขเป็นธรรมทูตอยู่แล้วลืมตาเข้าขอเห็นหลับตาเข้าขอเมื่อดมันก็เป็นธรรมทูตบอกอยู่แล้วเ<ม><ม>ดินไม่มีสติก็ชนหินชนต่อนั่นก็เป็นธรรมทูตอยู่แล้วคราลับนี่เนื้อปูมั น, ามานท่านมาเนี่ยทำเหมือนพวกเราท่านไปดิ้ด เมื่อเขาเข้าไปหาโดยเขาลบช่างกอเทศใน้เขาฟังถ้าเขาไม่จะหาช้างก็มาไปติดต่อเทศอันนี้บอกให้ไปติดต่อกับโรงเรียนบ้ากับผู้ใหญ่บ้านบ้ากับกร น, นันบ้ากับไอ้ น, นี้บ้าแต่ผมเข้าใจว่าหาบเอามันก็ไม่ได้ละเออจะเอารถไฟไปใส่เอาเขามาฟังเทศมาเท่าไรเราก็เขียนเอาเขียนเอา เข้ามาไม่รู้ว่าเข้ามาอะไรไม่ทราบเราจะไปเขียนเอาพาาระรหัสมากเกินไปเราพูดอย่างนี้พอเข้ามาในว่าก็เขียนเอาเข้ามาในว่าก็เขียนเอามาฟังเทศท่านั้นท่านนี้ไม่รู้ว่าเขาได้ไประโยชน์สักเพียงไหนก็ไม่ทราบเข้ามาผูกอเรอคผาก็มีอืมแล้วไปจดเอาลงเต็พระรหันา ห, าหมดนะเราพูดอย่างนี้เราคัดค้านทีนี่ทีนี้ถ้าจะพูดแปลว่าหลวงปู่มั่น ท่านไปทำข่าววัดปฏิบัติอย่าอยู่ที่เก่าอเออถึงแล้วครับแต่ก่อนบ้านเมืองป่าดงพงลึกเดี๋ยวนี้มีแต่บ้านเมืองของคนแล้วที่ไหนน้ำสาหาดวิถ บ, บาตรพอได้ฉันเขาก็ไปอยู่กันหมดแล้วยายยังอยู่ทุกทิศทุกแดนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ไปใช่แล้วพวกที่เขาไม่เรื้อสายพุทธศาสนา พ, พ่อใจพี่กเขาขายอยู่ที่บ้านของเขาก็มี ปรเทศดีกว่าเราอีกด้วยทําไมไม่เอาพวกนักเรียนไปถ้าเอาพระกรมามฐานไปก็ทําให้ข้อวัดของกรรมาฐานเสียเราพูดอย่างนี้ทีนี่พอ ถ, ถึงเวลาขวัดลานวัดก็ไม่ได้ขวัดโดยอนยุ่งคงก็ไม่ได้ทำภาอนาก็ไม่ได้ทำไปเที่เอาเทศจั ง, ขงเขาอืออกบ้านนี้ก็ไปบ้านนั่นออกบ้านนี้ก็ไปบ้านนี้พระเจ้าในาบงังคับเขาก็ต้องมาฟัง พระเน้ายบังคับพวกมอลำเขายังมีเกียรติกว่าพวกเราเขาไปจ้างอยู่ก็บ้านอันนี้พวกเราไปเที่ยวฮักเที่ยวหากพอกบันไดของเขาเทศทําไม่นีมนต์ประเทศข้างพุทธการคนมาฟัางเทศ1ิบสองละหุนชิบเอ็ดละหุน เขาบอกเราประสาทนาเขาไม่ยอมรอดท่านก็ไม่เทศอันนี้ไปหาพคราะบันไดเขาเทศเน่ยมันก็ไม่หาแล้วครับเราพูดอย่างนี้มาไปติดต่อผู้ย่าว่ากำนันไปติดต่อครูโรงเรียงนงานไปติดต่อให้เขาฟังเทศตนทีนี้พอหลวงู่มั่นไม่ผ่านก็มีพระ อ, องค์หนึ่งมา ในสมัยยุควันาหาลวงผือมหาหลวงหลวงปู่มหาสมัยนั้นเรียวว่าอาจารย์มาหาบัวใช่เนี่ยพรรษาแก่กว่าท่านอาจารย์มหาบัวมาผมมาแล้วเดี๋ยวนี้มาหาช่างแล้แต่ก่อนหลวงปู่มั่นอยู่นั่นไม่มาพอหลวงปู่มั่นตายแล้วกว็มาเขามามนในวัดพระเหมือนกันแหละเขมาหาแล้ว เขบอกญาดบอกรวมมาฟังเทศหลวงสิหลวงปู่มาหาก็เอามัดใส่เลยสินี่เออสำหรับพวกผมเนี่ยไปที่ไหนไม่ได้บอกให้เขามาฟังเทศตนเขาอยากมาก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่อยากมากขาเป็นไม่เป็นเรื่องของเขาเออก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้ปวดดีไปบอกเขามาฟังเทศตนตที่ระพาทของพวกผมไม่มีไม่ได้ตีข้องตีกองให้เขามาหา เขามาเขาเป็นเรื่องของเขาเขาไป ม, มาเขาเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวนี้ลุกได้หรือยังไม่ก็ไม่ทราบยังนอนอยู่ก็ไม่ทราบดอกลุกหมูมันลุกหมูมหาถูกถูกเช็กออกนี่แต่เราทุกวันนี่เราก็ไม่ีนึกว่าเมื่อสักคราเราเป็นนักเทศเราเป็นนักโทษโดดแต่มห า, าเราเราก็พูด ถ้าไม่พูดธรรมะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยนี้เขาพูดธรรมะดี๋จะไปทะเที่ยวหาเที่ยวไม่ไปเขาเที่อยู่วัดหมดจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ไปมานี่วัดก็ไม่อยแต่ฉันอยู่วัดก็วันนีเท่านี้มันก็ไม่หมด ทื่แท็กตัวใดสงสัยอะไรก็ป่าลุป่าเลยเมื่อคืนที่พูดคนเดียวนับนับนัวันนี้ก็จะพูดคนเดียวอีกละจะหมอเอาหมดละพูดแทนบางคนลุกยืนขึ้นนะให้ขอผมขอพูดบ้างถูกตำรวจซับที่นี่อันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเลย ชอบก็มาถามอะไรก็เลือกเอาอยู่ในตัวของเรามีหมดนี่ชอบลมหายใจเข้าออกชอบพิจารณาอะไรก็พิจารณาชอบพายนอกก็พายได้มันไม่ได้พิจารณายากในโลกอันนี้มันมีแต่ความทุกข์ พ่ยาทุกอันเดียวท่นั่งพอแล้วโลกมันก็จะเบื่ออะหารในทุกถ้าไปสำคัญตัววาสดุกราไม่พ้นง่ายๆแล้วเนีกินอร่อยแล้วตอนได้นอนหลับเราก็สำคัญตัววสุอนั้นละคนมันจะไม่พ้ง่าย <c oughs> นอ น, นโกวนค ก, โก <c oughs> ูกย <c oughs> เวลาจะตายๆปคนเดียวน้อไม่มีเพื่อนเน้อช่วย น, นั่งอยู่ก็ช่วย ไ, ไ ว, ว้ไว้เน้อเวลาลงนี่สำคัญเน้อพึ่งตัวเองเน้อเนี่ยพึ่คิดถูกก็ถูกึก่คิดไม่ถูกก็ไปละเนี่ยเขาพูดไปได้ปากก็ออกแล้วอันนี้สำคัญมากตอนนี้อื่นกินได้หัวได้อยู่มาเป็นปัญหาเนี่ย เดินได้ไปได้มาได้อยู่ไม่เป็นปัญหาไปถ่ายอุจจระก็ชาระเอาเองได้ไม่มีเป็นปัญหาเนี่ยใช่คนอื่นที่นี่หาใจรั่วชันผู้อื่นทนี่ถ้าคีกโกงมากเขาก็ม า, มาทำให้เนอะออถ้าคี้โกงมากพูดพระละสารสดเขาจึงมาทำให้ถ้าทำให้เขาเรื่องยากเขาก็ม า, มาใครละ <c oughs> นี่อันนั้นตัวยังไม่จนมุมจนมุมอยู่ที่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ย จะพิชตัวมาแทางนี่ก็มีกำลังที่ได้จะพิชตัวมาแทางนี้ก็มีกำลังที่ได้ ก, าา ก, ก, ดไดก็มีแต่นอนแบบนึข้าวก็แบบนึง <c oughs> นี่แหละสำคัญมากตอนนี้แหละสำคัญมากทัดอะ้รให้ดีอันนี้ทัดพอ น, นานก็เตรียมตัวอันนี้แหละยังต่ําก็ตายคาพุโทโธเขาไปเกิดในเทวโลกภพโลกทำให้คนทุกข์ก็ยังดีกว่าจะไปในรถหน้าเดียว ไตชนะคมสะอาดอย่าไปเล่นเลขเน้อเล่นเลขใตชนะคมเศร้าหงเน้อเ <c oughs> น้อเหรอเล่นอบายมุฒทุกประเภทหละไปชนะคมเศร้าหงล่างไม่ออกจุกกระปกไตชนะคมจกจุกกระปกมองมาเห็นเงาเหมือนกระจกเงาที่มีน้ำมันถูกที่มี ฝ้ามีละอองมีฝ่ามีละอองมีฝ้ามีละอองมัวมัวไม่เห็นชิ้นีมททำไม่ใช่อบายมุกสาะนังคชามิทิ้งมันหมดรัฐบาลพาทำก็ตามให้รัฐบาลทำอยู่คนเดียวให้รัฐบาลอันเลี่ยนกันทรพวกเราจะไปเลี่ยนสอนลูกให้เป็นโจร สอนลูกให้เป็นโจรสอนลูกให้เป็นโจรคือสอนอบายยมุขให้ลูกให้หลานรักลูกรักหลานอย่าสอนอบายยมุขให้ให้เว้นเราต้องพาเขาเว้นเดืนเนเอนเดือนออกมาเท่าไรก็ไม่พอจ้านายสี่หมื่นห้าหมือนก็ไม่พอไม่พอละเพราะเอาไปเล่นอบายยมุข แปลว่าชิ้หมายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากประเด็นเกิดขึ้นแล้วสิล่าุดตูงโมยน้ตูงเระเด็นเกิดขึ้นแล้วตูงนั้นตูงนั้นหลังจากมาเดิางกับกรุงเทเลยเออไปสูงไปสูงเนาะภาวนาเนาะชาวกรุงเทพ กรุงเทพแปลว่ากรุงเทวดากรุงเทวบุตร <ked> เทพาปลว่าเทวดากรุงแจวว่าพระนครหลวงเปที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นด<ม>ินอยากทำค น, นเล่นมาเล่นถ้าอยากป่าพื่องมาแ<น>จกไดคนนรับมาเล่นมานเนาะ แล้วมันพิสสองตัวหนังสือหนึ่งพิสสองตัวเข <c oughs> พิมพ์ละเอียดจํานวนมันเป็นจําจํานวนใช่เขาเสียงนจํานวนมันเป็นจํานวน <c oughs> ว่างมันเป็นว่ า, วาใช่พิสสองตั ว, ตวจํานวนอ่านคําถูก์ตเป็นจํานวน <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ว่างว่า ว่าเป็นว่างเพิ่มเติมอีกทำคิดให้ว่างทำคิดแห้ว่าไม่ใช่ทำคิดแห้ว่าไม่ใช่ว่างจนเลยเถอดไม่ใช่ทำคิตให้ว่างจนเลยเถิดทีนี้มันกลายเป็นกลายเป็นทำคิดแค่ว่าจนเลยเถิดแต่ต้อคิดให้มันทำคิดแค่ว่าไม่ได้ทำคิดแค่ว่างจนเลยเถิด มันเป็นว่าซะเพิ่มตัวงออจําอจ น, อ, นอยู่หน้าอะไรอยู่หน้าเปลอยู่หน้าอะไรจ๊อยู่หน้าต้นเนี่ยไม่ใชจ น, นมันเป็นจํำนวนะเขาเขียนเขาเขียนโอ้้ือตัวแล้วซื้อเล็กเบเท่านี้ก็ไปพิมผิผเนี่ยเออถ้านเรี่มจะโตต า, ตายละ <c ười> เพี้ยงเพื่อนเดียวแต่เป็นผคนกรุงเทพเราเข้าเพงมจมอจะามอัใคุณจะาโอ้อนบเเจะหคนุเไม่ใช่คนน้อยลานกว่า แยกกันเดินนะครับแยกกันเดินถนนแยกกันเดินแยกกันไหนกันไปเดินจนคากันรถติดเลยรถติดต่างจิตตก็มาหาความสงบวพยายามโอกาสขึ้นมาผู้อยู่บ้าเทพก็อยากจะมาเที่ยวข้างนอก กูอยู่วันนอกก็อยากไปเห็นกรุงเทพมันมันเปลีย่ยนกันผูอยู่กรุงเทพก็เบื่องแล้วออกมาเที่ยววันนอกผูอยู่วันนอกก็อยากเห็นกรุงเทพแยกันไปวันนอกกูอยู่กรุงเทพกเบื่อแล้วเนเหาออกไปเรย ในในโลกชาตแต่มสมมติสอนพระพุทธศาสนาไม่มีคําสอนพระพุทธศาสนาบริบูรณหมดไม่มีสิงที่ร่้สอนเทวบทเทวาสอนมนุย์ที่ทงพนาว่าพระเทวดามานาเป็นผู้สอนของเทวดาในทั้งหลายาสอนใดๆในในโลกชาติ ก็เป็นมุธาห์เสนอสอนในพุทศาสนาเพราะกระด้านกระเดือกราะคท่องบทนไม่พอเพาะว่าเาสาาเปีนุธาห์ได้กราเียนองธาเป็นผู้สอนของเจดาราในพุทธาาเป็นผู้สอนของไจรูระธาได้หัานเข้าเรียนยนาเจวรารา kids, ิบุญนางท่านผ้อนมเป็นอย่างประการเลยว่าโรีบณ์ท่าเรื่องต้นด้วยมริบุ์ท่ากลางด้วยมริบุ์สุดท้ายด้วย บารีบุญร่องร่องคืออะไรคือชุติกันโนผู้ชุติกันโนบริบุญข้าวตางคืออะไรคือยายะปันโนวาริบุญพุทท้ายคืออะไรคือสามีชิตปันโนคือพระรามเที่ยบเป็นบุกาทิศาเที่ยบเป็นธรรมาทิศาวบริบุญร่องร่อนคืออะไรคือศีลวริบุญข้าวตางคืออะไรคือสมาธิบริบุญในพุดท้ายคืออะไรคือปัญ บริบูรในร่มต้นคือปทุมเทศนาบริบูรณในท่ากลางคือมัชฌิมเทวนะเทศนาบริบูรใ น, ท, น, รรในท่าใา้คือมหาปรินิาพานสูตรจะเป็นสูตรได้มีน้อมสูตรทั้งหลายเข้ามาประสมใจสูตรลายจาสูดใจ น้าพัะประมัดอดมามาัดเ ข, ข, ข, ข้าในกายมัดเข้าในราชามัดเข้าในใจทั้งยในก็เหมือนกันมัดเข้าในกายราชใจพูดเป็น3พูดเป็น2ก็สอนกายสอนใจมัดเข้ามาในกายทำใจพูดเป็น2พูดเป็นหนึ่งก็มัดเข้ามาหาใจจิตกนเนี้บา่าจิตกนเนี้บา่าก็พูดเป็นสาม มัดคมาในกายวายจาใจสู่รของกายสูตของวาจาสูตทั้งใจมัดกมาเป็นหนึ่งก็สูตของใจปนามัดกมัดเขใใ้าไปใจน่าเป็นสองก็ทายกับใจน่าเป็นห้าก็ท่าสี ด, ดินน้ำไปลเหรือว่าเป็นสีก็ดินน้ำไปลมว่าเป็นห้นากระันห้นนาพูกเมตตาสัญญาสัญสามิยัญญาว่าเป็น6ก็ตาหงส์ตรงเรื่องใจ ตนเป็นเยือนของตนคือใจเป็นเยื่อนของใจคือธรรมเป็นเยื่อพ้นของธรรมภาวนาอะไรก็ตามก็ใจเป็นหัวหน้าประคาวะใจมั่งคั่งจะรักษาศีลตัวไหนก็ใจเป็นหัวหน้าจะทําอะไรก็ใจเป็นหัวหน้าอาก็วางแผนผลลัพธ์ก็คือใจเป็นผลรับทำบลญแล้วก็อยู่ที่ใจทาบาปแล้วก็ไปอยู่ที่ใ จ, ไ, ใจไม่ต้องเข้าก็อกยากมโัโตและกระดู มันไหลเข้าเองไงใจเอ๋ยเธอได้ทางสร้างบุศลก้อนบนได้ไหวหรือไม่ถ้าได้ยจะสร้างไหวมันก็ตอบมันถูกถ้ามันไม่สร้างไหวมันก็ตอบมันไม่ถ totally. <wh onnaise> ูกมันจะโกหกมันก็ไม่ได้ใจอะไรก็ไม่รู้เท่ามันนักที่โลกีและเหมือนามะความรับมันมีในโลกใจคือโลกมันนึกอะไรมันก็รู้จัก มันจะโกหกพรมย์สเพียงไหนมันก็รู้จักมันอยู่มันไม่โกหกพวรมันก็รู้จักมันอูไม่มีใครรู้จับมันเข้ามันาสาใจพุทธคสงฆ์ทสอยู่ที่ใจาถือขงพทธศาสนาสงฆ์ืออยู่ที่ไหนคืออยู่ที่ใจเอาไว้ที่ใจทิ้งพระก็คือเอาไว้ที่ใจเอาไว้ทางนอกเรเข้าใจผกาวูว่าเหมือนกันทิ้งทาง ทิ่งข้างไหก็คืยใจผู้ทำสมก็สงค์อยู่ที่ใจวันคืนล่วงไปมีวาตักใสก็เล่วกไปด้วยช่วยจนเองเร่นก่อนหนาก็าจุ ป, ปัญนาไม่ใช่ตนวนเวียนอยู่อู่ันกระถังใจหมายว่ามันยืนยันว่าตนก็ไม่พ้นยาพิษมามเขาจิตโนเขาคือเอาเป็นเหีย ตกในเขตปัต้นน้ำให้เป็นครัวโมหลายกลายเป็นอดีตความจืดถ้าร่วนาครอบใหหมดอนัตตาธรรมธรรมจะแนะนาติดต่ออบพบใจถูกลบลมถึงธรรมว่าไม่ยหาทางใจมิพามิธรรมจะทำเจ้ถูนผู้ ย, ยังไม่ภาวนาไม่รู้เรื่องอะไรอยู่หรือน้ปู่พูกับบ้าบออะไร <c oughs> ไม่เข้าใจอู้ยิ้มยิ้ี เอายาพุทโธตายคาพุทโธก็ไปฝึกในสวรรค์ในภพโลกจะเอายุ้หน้องของน้องเขาแลเสีจะอารมหายใจเขาออกเขาแลเสีจะพิจารณาสังกายเพราอาลมณ์หายใจเขาออกเขาแลเสีจะพิจารณาปรากฏในร่างกายอันใดอันหนึ่งใหเห็นเป็นตระกูลโสโคกกตแลเสแต่ทางนั้นไม่อดไม่ลา ท่นนานสองน้อพุทธเจ้าท่านนั้นละเป็นรัสนนนพ ส, สมบัติท่านนั้นส่านสองน้อพุทธเจ้าป็นทรัพ์สมบัติในธรรมะอันเดวกันคือสมบัติภายใ น, ในเรียก ว, ว่าอริยทรัพย์ทัศธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เขาละต่อบาปเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งความกลัวต่อบาปเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่ง จำเคยได้ย e ินในตำรามากคือจมากงธรรมและศิลปะวิทยาในมากก็เป็นข้อพุ่มหนึ่งท้งสารสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เป็นขัอพุ่มหนึ่งปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นข้อพุ่มหนึ่งอีกข้อนึงอนิจจสัจจะประการดีกว่ทัพภายนอกมีเงินทองมันต้นคนถืออันหาให้มในสัญญามากเลยนะอ่าแบ่งให้ เอาซือ้อให้ทง เ, เลี่ยมเลี่ยเลี่ยมเลีเล่ย <c oughs> ูกูลมานเออมันไม่ยางหรือพรกรเกืดมาทาไมทาไมไม่วข้าสู่พระนครลูกหลานเกิดมาทาไมไม่ยุ่งหรือทาไมไม่เข้าสู่พนะนคมกรรมมีก็ต้องมานะกรรมยังไม่พอ้าไมายังไม่พอก็ต้องมา ชอบทุกที่นี่อยู่กงเกพดีๆก็มาปีนป่ายขึ้นเขาก็ชอบทุกเล่นลถไปปื้อๆก็มาปีนขึ้นเขาชอบทุกมบรกของเราไม่พอดีทุกอนไรพุทธศาสนา ทุกกรพาะทุกการพระสงค์ทุกได้ขาดทุนพูกได้กำไรตายสวายชีวิตแต่พระพุทธ้าพระองค์นู่นน่ะคนเคยไว้แล้วมีสักคนใครบ้างเรื่องมึงเคยเคยมาแล้วโอ้มีหลายคนอยู่นน มีหลายเปนหลายตันหลายเธออยู่บคาวพระบรมศาสดาพูดว่าสูสังหายสูทั้งหลายพูดเหมือนลูกหลานพระบรมศาสดารในคราวขณะนั่นพูดเหมือนลูกหลานบางทราวก็บอกว่าเธอทั้งหายบางคราวก็บอกว่าท่านทั้งหายบาคราวก็บอกว่าสูสังหลายแต่ว่าสูทังหายพูดเหมือนลูกหลานพระบรมมาสดารแม้แต่สะดวกของโอท่าน พูดยังไงท่านก็ไม่มีพิษเพราะทํานไม่มีชีรียสพวเราพูดยังไงมันก็ต้องมีพิษมันมีชีเรี ย, ยสพูดยังไงเขาต่านกรรมวิธีพิษของพมร ม, ม, รรมาศพิดาคำสอนแต่ละบทละบาทของพมลมาศพิดาคล้ใยๆก็ว่าร่องเรียบหยูท่ทุกคันรุ่งร้านเอ๋ยมาเถิดแล้วพ่อคอยอยู่นี่หละมาเนอมาเนอ ที่นั่นเป็นที่วุ่นวาย่นั่นเป็นที่พัดพ้องมาหาพ่อเธอําสอนแต่ละบทใช่บ้านต้องเรียบถือัมนมีควัมรุอย่าไปทำเนื้อลูกหลานสบายอยบามุกทุกประเภทมันชิวหายเน้อแต่เราไม่ฟังลูกหลานโง่ี้รื้อหลอกไม่ฟังนะอย่าไปกินเหล้ามอยาเนื้อลูกหลานนะพรบราภาสาาอย่าไปฆ่าศัตรูทั้งประในกางบางคนที่รื้อ เรก็ไปฟังก็ไปทำแต่รับผลตามส่วนคนชาติของเหตุที่ทำไน้แล้วว่าถ mm. ้าเหตุผลไม่มีเราก็ไม่เชื่อพุทธศาสถาเหมือนกันเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วที่นี้เมื่อเวลาท่านจะเข้าสู่นิพานท่านก็สั่งก็ลาพระบรมศาสดาไม่ไปเฉยเฉยพุจธบริษัททั้งหลายทั้งวาตุทั้งวาทิการที่เกสามัญเน นี่นะือนิรานดรธรรมะธรรมยามีทุกคนนั่นท่านไปโลกาเราจะท่านทั้งหลายไปละเพราะเราสั่งท่านทั้งหลายเนี่สิ่งที่เราจะไม่สั่งสอนท่านทั้งหลายไม่มีเลยหมดวิชาเลยเพราะเราเขาจะไม่เรื่องโทษเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้สั่งสอนตอนนี้เราก็ไม่ได้สั่งสอนเราก็ไม่เรื่อโทษเราพรเราสั่งสอนไะ เมื่อท่านทั้งหลายไม่เอาก็เป็นความผิดของท่านทั้งหลายไม่ใช่ความผิดของเราเถชาวก็เราเถาวก็เมตตาอย่างเต็มที่เลยเราจะลาท่านทั้งหลายไปแล้วพระลงมศาลเราเอาชับพวกท่านทั้งหลายไ้แล้วท่านเทวบุตรเทวดาอินทร์กรมต่อทั้งเพศหญิงและเพศชายต่อทัพศหญิง่ั้งเพศยุบาตะสภาวสุตาพิสุทธ์สมมเนรสมมาเนรีด้วยนางชุติมาณาด้วย ทางพุทธมีด้วยก็วมดแนกไม่มีที่ฉวังกับเราอีกละถูกใครวางฆาตกรั้งขานทั้งหลายเสี่ยงเวอแนบแต่คนแนบแตกฉวัตรท่านทั้งหลายรงรีบปฏิบัติเนูเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนะัก นีแต่มีแต่สสทําภายนอกจะนอสโตรทา้งนั้นเพาะว่าเราไม่ถาดเจราการไล่นั่นเหมือนซับภายนอกกับภายนอกเราเอามันก็หมดนี้จากกาันใครที้โลภ ก, ก็เอาหมดคนเดียวมันก็หมดจากกาันซับภายในนั่นใครมีมากเอามากอะไรก็ไม่หมดจากกานหมดได้เป็นและไม่นัก ด, ด้วย ทนมเฉตุการบริจาคีอะไรมัเฉยการักขาศีภาวนาอะไมเฉล่ตการภาวนาสิ่งเป็นที่ตั้งในการชมบุญเรียกว่าบุญที่ยาวัตถุมีสามอย่างหนึ่งทานทำมเฉลีการบริจาคมสองสีอะมันเฉลี่กามนักษาสีสามภาวนาอะไังเฉลุการเจริญภาวนาอย่างทีสดก็มีสิอาจ อรารยังไงเสร็จเรืการประพฤดขอบคุณจากผู้ใหญ่เวยดามัะมาเเส็จด้วยการช่วยขัในสิงที้อพัฒนสาระไม่หเส็จเรืการให้ส่วนบุญพัตนานโมโนาม่สมดเสด็จการอักนื้อนาส่วนุญธรมมัตตรรไม่หเส็จด้วยการฟังธรรมมเทศนามัยมดเสด็จเรื่การแสดงธรรมิสุุกรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นบุญแต่ละคุณคุณคุณคุณคุณ บุญอั น, น้นบ้าบุญอันนี้บ้าแล้วก็เต็มใจตื้นใจซึ้งตื้นใจขึ้นบุญเต็มแล้วก็บาปไม่มีเข้าสู่พระนิพพานสตว์นั่นบุคคนผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่สร้างบารมีแก่ต้ามาแล้วบุคคลผู้ยินดีในภาว น, นาความใจผู้สร้างบารมีแก่ต้ามาแล้ว ท่านช่วยพพุทธศาสนาะท่านช่วยพวพุธทธธรรมประสงค์ด้วยบุคคลผู้หวังผูทุกข์กในปัจจุบันในชาติปฏิบัติเพื่อผู้ทุกข์ในปัจจุบันในชาติเพนันบารมีแก่ข้า ม, มานี้วเกียวทัท่านท่านที่สองเกี่ยวท่านที่หนึ่งปัจจุบันใน่เตปัจจุบันนี้นธะรรมบรรยี่ทุกคไหครับปกอและเศษ ข้าเจ้าจะรู้ตามจริงในปัจจุบันนักศิลป์จะทำอ น, นั้นเถอะหรือทุกวันนมีประมาณนี้เถื่ออนั้ น, อ, อ, น, น, นอันนั้นต์ชาติมาเรียมาแก่ค่าเป็นชั่นที่หนึ่งสวงพ้นทุกในชาติจะต่อไปเป็นชั้นที่สองที่สามส่วนจะพบพระศิษย์แม่ใจอยู่เป็นชั้นที่สี่ยยที่ห้าไปอีก เขาพูดปฏิ ญ, ญาณว่าในอนาคตการดันเถิอ่อนะครับอนาคตการนั้นเถิอนก็ยังไม่แย่กล้าเท่าไรแต่ก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีคิวกุศ์ปัญญาวิเศษ ในโลกเป็นยาวิเศษเป็นเหตุให้เอื้อมละอาในวัฏจักรสงสารเอื้อมละอาในแก่ในเจ็บในตายในหิวในอยากในปรารถนาไม่ได้สนหวังเอื้อมละอาเรียนวิชาเอื้อมและอาในวัฏจักรสงสาร อะไรบ้างที่สมปทานได้บ้างดาวสงแสนหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรถ้าพูดมากมันก็มีมากถ้าพูดน้อยก็มีน้อยถ้ารักษาชิ้นหลายตัวก็วรักษายากถ้ารักษาชิ้นตัวเดียวก็ไมย่ยากคือรักษาใจถ้าใจไม่ภากายก็ไวาการไปทาําผิดมันก็ไม่ผิดชิ้นห้าก็มารวมมา ที่สินใจสินห้าข้อไม่ร่วงละเมิดมันก็มาอยู่เป็นเชือหกห้าเกลียวมาอยู่ที่สินใจสินแปดข้อเหมือนกันนั่นเป็นข้อที่มันร่วงละเมิดถ้ามันหยัดไหะถ้ามันร่วงละเมิดถ้าแปดข้อมันก็มาเป็นสินตัวเดียวอยู่ที่สินใจ <Yeah. S 1> เวรละมณีมันเล่นจากเวรแล้วมาอยู่ที่สินใจสมาธิแปลความตั้งมั่นมันตั้งมั่นอยู่ที่ใจแล้วสมาธิก็มีตัวเดียว ปัญญาก็แปลว่ารอบรู้ที่เมื่อมันรอบรู้ใจของมันมันก็มีปัญญาตัวเดียวรอบรู้ใจก็รอบรู้โลกเหมือนกันก็รอบรู้สังขารเหมือนกันเพราะโลกสังขารมันออกไปจากใจเข้าใจมันพูดมันหยัดถ้าจะพูดเป็นเอ ก, เอกะนิบาตเนี่ยบาตแปลว่ามีบทเดียวเวลาเราภาวนาอยู่ เพ่งอยู่อันเดียวศีนก็มารวมอยู่ที่ตัวเดียวที่อันเพ่งสมาชิกก็ตั้งมั่นอยู่อันตัวเดียวปัญญากรอบลู้อยู่ที่อันตัวเดียวที่เราเพ่งอยู่นะนั่งจะลงศีนสมาชิกปัญญากขรวมเพ่งอยู่ที่แห่งเดียวถ้าเราขยายออกมกันก็หลายตัววันชิดจันวันจันวันชิดจันอังคารพุทธประหัตชุกเฉาไอทิเทียมก็เป็นวันเดียวกันมีแต่เมื่อยกับสว่างนะ ปีคุณพวดจะรู้ขานเตาะมาลงมาเสงมะเมอาแมะบอกรากาจอคุณาย้แค่เ็าเป็นปีอันนี้วกันนี่กี่ฤดูฤดูฝนส่เดือนแล้วดูแลงส่เดือนแล้วดูหนาวสี่เดือนสามสี่กับสิบสองเป็นรอบเป็นรอบของใหม่ไม่มีมีแต่ของเก่า เอสัตโมจันันตนุพถ้าทําเป็นของเก่าชิ้นห้าเขาเป็นของเก่าชิ้นแปดเเป็นของเก่าทานก็เป็นของเก่าภาวนาเขาเป็นของเก่าจิตเรศก็เป็นของเก่าว่าคขนิพานก็เป็นของเก่านะ่ลุเตสุอนรุตโตเตสุทําเมสุจะกขุมในธรราจารคปวัตนาสูตรทาเหล่านี้มีมาก่อนเนี่ย ญาณของเราได้ เ, il, i, เห็นแล้ยเราได้รู้แล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นถ้าสิ่งเรานี้ไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่รู้เพราะสิงเรานี่มีอยู่ก่อนรู้แล้วเราจึงรู้เราเราก็ลงมาสอบหนึ่งสองสามมีอยู่ก่อนแล้วเราจึงนับได้ถ้าไม่มีหนึ่งสองสามอยู любой, Power, JJ, ่ก่อนแล้วเราก็นับไม่ได้ถ้ามันมีสินทำอยู่ก่อนแล้วก็บัรหยัดสินทำไม่ขึ้นถ้าไม่มีดินอยู่ก่อนเราก็บรรหยัดดินไม่ขึ้น ก่อนที่จะบรรยัญญตขึ้นเพราะดินมีอยู่ก่อนแล้วถ้าหงส์จงหงสเลี้ยงกายเขาเหมือนกันเพราะไม่มีอยู่ก่อนแล้วจึงหวัดบรรยัตขึ้นบรรยัญญติสิ่งเราเรนี้ขึ้นแล้วก็ถูกบรรยัญญตใจใจบรรยัญญติใจเองทีนี่ไม่มีใครใส่ชื่อรนาะมให้ตนเขาบอกว่าใจ เ, เท่านั้นเองนั่นผลสมหัวตัวเองแต่ไม่รู้เท่าใจเขาเป็นทุกข์อยู่ที่ใจ ต้องปฏิบัติใจเพราะใจเป็นผู้วางแผนจะทําดีหรือชั่วกระจายเป็นผู้หัวหน้าแนะนําอยู่เสมอเป็นผู้วางแผนอยู่เสมอวางแผนไปทางดีนั่นก็ได้รับผลดีตามส่วนคุค่าของเหตุที่ทําน้อยแล้ว嘛ทํำท่าดีทางชั่วสหรับกันนั่นก็ได้รับท้าดีทางชั่วสลับกันบุญละมามนทะี่หนา คนดีก็ทําให้ใจทำเชื่ก็ทําให้ใจมาจากกรุงเทพก็มาให้ใจพ่อใจพามานะคนตายมาไม่เปลีนถ้าจะกลับพ่อใจพากลับนั่นคนตายมันกลับไม่เปลี่ยนเพราะวิญญาณไม่อยู่ที่นั่นนั่นสงบก็สงบลงใช่ใจมุทะก็วมุทะลงที่ใจพูดมากก็มากออกจากใจพูดเรามากพูดน้อยก็น้อยลงที่ใจครับ แต่คนเราไม่ชอบพูดแต่มันพูดอยู่ข้างในถูกไหมเดี๋ยวนี้พูดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่ออกปากทีนี้ท่านพูดอะไรกับปลาลบอะไรก็ให้อลาลบได้เลพูดกันยาวมันก็ถึงไหนนับนับอยู่แล้วอ๋ <c oughs> อที่ได้มาก็อเอาเกิด okay, เอาเกลอเอาเกลอว่ากาันมาด้วยเวลาไปก็เอาไปด้วยเวลามาก็เอามาด้วย นั่นเรียกซิ่งไว้ในโลกซิ่งไว้ในโลกแต่อาหารแต่พวกเดียวไม่เอาอะไรไปพวกเราเอาไปด้วยเอาพืชไปด้วยเอาก็ปูกไปด้วยไปที่ไหนก็ปลูกตะพืชเท่านี้เอาก็ปูกไปเอาไปที่ไหนก็เอาหอหอก็ะปูไปด้วย ไปที่ไหนก็เอากิเลสไปด้วยเรากิเลสมีอะเอาไปด้วยเมือีของอย่างเของอย่าเจ้าของเขคนนให้เขามาให้ให้ให้มาอันนั้นเองดีกว่าครับคุณเข็นแบกเข็นด้ครับเข็นมาถวายด้วยตัวไม่ขาดเองดีกว่าแคพุทธสงในความเพื่อพระมบูชากิเลส รบบูชาพระนิพพานของพระสมานุปปัติเ sure จ้าแล้วมีจับได้ไหมมีทหารไหมมีมีขนาดนี้ในมีมีเยอะเลยครับขีาพแล้วนะครับพุทธังสงฆ์นิพพานรับเพื่อพระนิพพานเม่รับบูชาชี่ด์ขอุรับพุทธังสงฆนิพพานพุทธังสงฆ์นิพพานพุทงสงฆ์นิพพาน 他讲他，他讲他。